เอาน่าอย่าซีเรียกเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของคนนายมาวิ่งหน้าตาตื่นมาหาในอินแต่เช้า พร้อมกับพูดด้วยเสียงตื่นเต้นว่าเพื่อนเอ้ยวัวของนายขิดวัวของเราตายนายอยากจะชดใช้ค่าเสียหายให้เราหรือเปล่าเมื่อในอินได้ฟังดังนั้นก็รีบตอบในมาไปว่าเฮ้ยเราไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้นายหรอกในเมื่อวัวมันขิดกันตายเองเมื่อสัตว์มันฆ่ากันคนจะไปรับผิดชอบเรื่องของมันได้ยังไง ที่แล้วก็ให้แล้วกันไปเถอะนะถือเสียว่ามั น, นเป็นเรื่องของวัวไม่ใช่เรื่องของคนเราเสียใจกับนายด้วยนะนายไปหาวัวใหม่ก็แล้วกันนะเพื่อนนะเมื่อได้มาได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มแย้มอย่างพอใจพลางเอ่ยว่าถ่ายอย่างนั้นก็ดีเพราะว่าเราพูดผิดไปนิดนึงด้วยความตื่นเต้นเราจึงพูดกลับกัน ความจริงวัวของเราตังหกักที่เป็นฝ่ายคิดวัวของนายตายแต่ในเมื่อนายบอกว่ามันเป็นเรื่องของวัวคนไม่ต้องรับผิดชอบอย่างนั้นเราก็เสียใจกับนายด้วยนะนายคงต้องหาวัวตัวใหม่แล้วละส่วนเราก็ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายอะไรแก่ น, นายเพราะไม่ใช่เรื่องของคนจริงมะว่าแล้ว ในมาก็รีบลาจากไปปล่อยให้นายอินยืนอึ้งพูดไม่ออกอยู่ตรงนั้นนั่นเอง